ตอนที่สี่ฝืนสาระขึ้นมารักษาหลักไว้สวดมนต์ไปต้องได้ธรรมะมาได้เล่าให้ฟังเนืยวเรื่องของการสวดมนต์พอให้เห็นความสาคัญว่าในฐนานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกะชนเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้รู้เราก็ควรทำอะไรอะไรกันด้วยความรู้ ไม่ใช่อยู่แค่สวดกันไปสวดกันไ ป, นไปจนกระทั่งไปไปมามากลายเป็นมนของพราหมข้อสำคัญอยู่ที่ว่าต้องให้เป็นมนที่โยงไปถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ถึงสาระได้ทั้งจิตใจไปถึงปัญญาไม่ใช่อยู่กันแค่ความรู้สึกเวลานี้เมื่อเราเพลินจนลืมไปว่าการสาธยายสวดมนต์เป็นส่วนสำคัญของการเล่าเรียนศึกษาปฏิบัต และเป็นกิจใหญ่ในการรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเรามาสวดกันเป็นกลุ่มบางทีก็สวดกันเพียงเพื่อให้ทุกคนได้มีจิตใจสงบนั่นก็ดีอยู่บ้างแต่ไม่ควรพอใจแค่นั้นมองดูสภาพปัจจุบันดูเหมือนมีแนวโน้มที่มุ่งจะจัดทําแต่งสรรการสวดให้ไพเราะชวนให้คนติดใจฟังติดใจจะสวดให้มากขึ้นมากขึ้น แล้วใจก็อยู่กับการที่จะสวดให้ภัยเราะนั้นและจัดหาบทมาให้ได้สวดให้มากๆโดยไม่รู้เข้าใจไม่ได้นึกถึงสิ่งที่ตนกำลังสวดอยู่ถ้าเพลินกันไปจนลืมนึกถึงการสาธยายไม่เอาใจใส่นึกถึงธรรมะที่สวดกันเลยก็จะกลายเป็นการเคว้ยออกไปจากทางหรือไม่ขอให้นึกถึงพุทธบัญญัติที่ส่งห้ามพระ มิให้สวดธรรมะด้วยเสียงขับร้องเอื้อนยืดยาวขึ้นลงหวบ้าบซึ่งทำให้อัคระผิดเทียนเสียหายใจเพลิดเพลินตามไปกับเสียงกล่อมทั้งตัวเองและคนอื่นชื่นชมตัวเองใจมุติยากทำเสียงให้เพราะให้ดีจนไม่อาจจะมีสมาธิใจไม่อยู่กับธรรมะที่ตัวสวดแต่ทรงอนุ ญ, ญาตให้พระสวดสารพันยะซึ่งคมภีบอกว่า มีถึง32ทํานองมาถึงเมืองไทยสมัยนี้ก็ยากนักที่จะไปหาผู้รู้จักทำนองเหล่านี้ได้ที่ไหนก็จับเอาที่สาระว่าการกล่าวธรรมะด้วยเสียงหรือใช้เสียงสื่อธรรมคือเอาเสียงที่ดีที่สนเะที่เรื่นไพเราะมาใช้กล่าวธรรมให้เป็นทานองคล่องชัดถนัดฟังง่ายโดยไม่ใช่แค่ปล่อยใจไปตามเสียง แต่มีสติว่าไปใจก็นึกระลึกรู้ถึงถ้อยคําบอกธรรมะที่กําลังสวดอยู่นั้นมองเห็นเข้าใจความหมายของบทสวดทั้งแต่ละคําและสาระธะัธรรใจความของบทสวดทั้งบทนั้นอย่างที่สวดกันอยู่นี้ถ้ารู้เข้าใจก็ทําได้ที่ว่ามีสติว่าไปใจก็นึกระลึกรู้ถึงตามทันบทธรรมะแต่ละถ้อยคํา นี่คือสาธยายที่ว่าสวดโดยเอาเสียงที่ดีดเรื่อนไพเราะมาใช้กล่าวธรรมะโดยว่าเรียงบทให้ชัดคําชัดความทุกบทพยัญชนะไม่คละกันครบสมบูรณ์กลมกล่อมชวนฟังชวนจำนี่คือสารพันยะสาธยายดำเนินไปด้วยการทำงานของสติมีสติเป็นตัวทำงานให้สำเร็จผล โดยระลึกระบุจัดเรียงข้อมูลเข้าที่เข้าลำดับของมันที่จะพิจารณารู้เข้าใจนี้เป็นแกนของการสวดและเป็นส่วนของการปฏิบัติธรรมสารพัญญะเป็นการสาธยายนั่นแหละแต่อาศัยทานองและเสียงที่ไพเราะมาคุมกํากับไปในตัวให้ถ้อยคำต้องรับต่อทอดกันไปอย่างกลมกลืนช่วยให้คาสวดครบถ้วนชัดเจนถูกต้อง ชวนฟังชวนจำร้อมทั้งโน้มนำจิตใจให้สงบสดชื่นเกิดมีปิติการสวดที่ดีจึงให้ได้ให้มีสัทธายาเป็นแกนและเอาการใช้เสียงมาช่วยเสริมกำกับถ้าทำได้อย่างนี้ก็ได้ครบลักษณะการสวดที่ถูกต้องแม้แต่ในการสวดมนต์ของพระท่านก็กล่าวไว้ในคำภีต่างๆว่าขายณะวเสนะสัชชายตัง คือพวกรามนั้นก็สวดมนต์ของเขาด้วยการสะทยายโดยสวดเป็นธรานองขับร้องไปนี่คือถึงจะร้องเป็นเพลงอย่างไรก็ต้องให้เป็นการสะทยายอยู่ในตัวถ้าชาวพุทธทำแค่นี้ไม่ได้จะปฏิบัติและ ร, ะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้อยู่ดีได้อย่างไรเป็นอนุว่าการสวดมนต์ที่ถูกที่ดีคือสวดพุทธพจน์ทบทธรรมะตั้งแต่พระบริตรเป็นต้นไป ได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมกันคือได้ทั้งสาธยายระลึกนึกรู้ธรรมะที่กำลังสวดอยู่โดยเป็นการฝึกสติไปด้วยและได้ทั้งสาระพัญญะที่ได้เสียงอันไพเราะเป็นทํานองมาหนุนให้ชัดเจนมั่นยำจําง่ายทั้งชวนใจให้มีปิติปราโมท ด, ด้วยคนที่สาธยายก็คือระลึกนึกถึง จับยกเอาข้อมูลขึ้นมาระบุเรียงลำดับไปจนตลอดการสาทยายจึงเป็นการมีสติใช้สติดังที่ตรัสไว้ในข้อหนึ่งของโพูชง